ศาสนาหรือศิลธรรมมีอยู่มีอยู่ในที่ใดที่นั้นร่มเย็นมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นอารมณ์เย็นศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับโลกที่ต้องการความร่มเย็นเป็นสุขเพียงความต้องการความสุขความเจริญ แต่ไม่มีศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องดำเนินแล้วจะหาผลคือสิ่งที่ตนต้องการนั้นไม่เจอเอรหลักของศาสนาทางเหตุก็แสดงแนวทางที่ถูกต้องดีงามแต่ผู้มุ่งหวังความมุ่งหวังผลคือความสุขความจเจริญอยู่แล้ว ศาสนาถึงจําเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการความสุขความเจริญทั้งภายนอกและภายในยิ่งมนุษย์เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยแล้วศาสนาก็ยิ่งมีความจําเป็นเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ส่วนรวมเพียงกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นไม่พอเพราะมีที่รับที่แก่แต่ศาสนาแล้วไม่มี ที่รับที่แจงคนที่มีความฮิริโอตปะและอาจดุ่มกลัวต่อความผิดอยู่ภายในใจแล้วผู้นั้นย่อมไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้ในศาสนามีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนในกลุ่มชะนั้นก็มีความสงบร่มเย็นไม่ค่อยมีเรื่องมีราว การเรัดเอาเปรียบการอะไรก็ตามที่ผิดจากสินจากธรรมมันจะมีน้อยจน ถ, ถึงกับไม่มีทั้งนี้เกี่ยวกับผู้มีสินธรรมหนักเบามากน้อยต่างกันถ้าผู้มีทำในใจจริงๆแล้วผู้นั้นจะว่าปกครองตนได้และต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างปกครองตนได้ เ้าก็ไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนตาคน่างปกครองตนเองด้วยสื่ธรรมอันดีงามเ <c oughs> ท่าวีท่านะ <c oughs> กล่าวไว้การใดที่าศาสนาไม่มีระยะใดที่ไม่มีาศาสนาเลยระยะนั้นท่านว่าเป็นปืนเป็นไฟเป็นหมดทั้งทั้งที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีมาก เพราะไม่มีใครที่จะสนใจกับคำว่าผิดถูกชั่วดีบุญบาปประการใดเลยมีแต่เอาตามชอบใจความตามชอบใจของจิตนั้นเป็นเรื่องที่ออกมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งมีอยู่ภายในและฝังอยู่ในจิตใจด้วยกันทุกคนเมื่อต่างคนต่างเอาความเห็นแก่ตัวออกมาใช้ความเห็นแก่ตัวจึงเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันได้ มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับปิกใจของแต่ละคนนะคนเพราว่าศาสนาเป็นค่าศึกต่อความเห็นแก่ตัวคือเป็นความเห็นเสมอภาคเห็นคนอื่นกับเรามีคุณค่าเหมือนกันมีความสําคัญเหมือนกันจนกระทัท่งสัตว์ก็มีคุณค่าและมีความสําคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คือมีค่าไปคนละทางละทางเช่นดังชีวิต เขาก็มีคุณค่าของเขาในความเป็นอยู่หากหาชีวิตหาชีวิตไม่แล้วไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ต้องตายหมดคุณค่าหมดราคาไปในขณะนั้นเช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้าจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกสัตว์บรรดาที่มีวิญญาณคลองให้เห็นความสำคัญไปได้วยกันทั้งนั้นไม่เบียดเบียนไม่ทำลายไม่ทำความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันตลอดถึงสมบัติ สิ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสําคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสําคัญสําหรับสมบัติของเขาเช่นเดียวกันเราถือเป็นความสําคัญในสมบัติของเราอยสมบัติของเรามีความสําคัญต่อเราเมื่อถือกันเห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการโฉลกต้นสะ dom หรือการเบือดเบียนทําลายกัน ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่รับที่แจงคนที่มีความหิริโอตตะปาละอาชดุ่มกลัวต่อความผิดอยู่ภายในใจแล้วผู้นั้นย่อมไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้เมืศาสนามีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนในกลุ่มชนนั้นก็ มีความสงบร่มเย็นไม่ค่อยมีเรื่องมีราวการเอารัดเอาเปรียบการอะไรก็ตามที่ผิดจากศีลจากธรรมมันจะมีน้อยจน ถ, ถึงกับไม่มีทั้งนี้เกี่ยวกับผู้มีศีลธรรมหนักเบามากน้อยต่างกันถ้าผู้มีธรรมในใจจริงๆแล้วผู้นั้นจะ่าปกครองตนได้ และต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างปกครองตนได้แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนต่างปกครองตอนเองด้วยสิ่งธรรมอันดีงามเทวีท่ า, านกล่าวไว้การใดที่ศาสนาไม่มีระยะใดที่ไม่มีศาสนาเลยระยะนั้นท่านวาเป็นปืนเป็นไฟเป็นหมดทัทง้งทั้งที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์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 สิ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสําคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสําคัญสําหรับสมบัติของเขาเช่นเดียวกันเราถือเป็นความสําคัญในสมบัติของเราหรสมบัติของเรามีความสําคัญต่อเราเมื่อถือกันเห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการโฉบลักต้นสะ d o หรือการเบีบดดยดเบียนทําลายกันก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบแล้วว่าไม่เห็นความสาคัญของคนอื่นเห็นแต่ความสาคัญของตัวของตนถ่ายเดียวที่จะถูกลึกอขื่นั้นไม่คํานึงนี่เราพูดถึงภาพทั่วไปสำหรับศาสนามีความสําคัญต่อโลกที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะให้เห็นความสําคัญของกันและกัน ทีนี้ยตนเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ทุกคนก็เข้าใจและแน่ใจว่าตนมีความรักตนมีความสงวนตนมีความสาคัญแต่สิ่งที่จะนำมาเพื่อตัวเองนั้นไม่ทราบว่าถูกหรือผิดเพราะความอยากความต้องการนั้นมีอำนาจเหนือกว่าความคามที่วารักตนหรือสองวนตนจึงเป็นเหตุให้ทาความเสียหายแก่ตนได้ จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนาเนินให้เหมาะสมกับคําที่ว่ารักตนปฏิบัติบํารุงรักษาตนด้วยความถูกต้องโดยอาจโดยธรรมก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความจเจริญแก่ตนสมกับคําว่ารักตนเจ้าน์ตนแท้ของเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติสิ่งธรรมอยู่เวลานี้ก็คือความรักตนโดยธรรมคือเป็นความถูกต้องไม่ผิดอี่ยงกับเรื่องกินบ้านการเดือนเราก็ทราบด้วยกันทุกคน นั่นเป็นงานประเภทหนึ่งผลอย่างหนึ่งที่จะนาํามาใช้ในทางหนึ่งทางด้านจิตใจที่เป็นงานสําคัญอันจะก่อให้เกิดพลังเกี่ยวกับกิจการงานภายนอกก็ต้องเป็นความต้องการประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันแต่พ่ออย่างยิ่งเป็นในวัยของพวกเราซึ่งควรอย่างยิ่งแล้วเพราะได้เคยเลือกเป็นได้เคยบวกลบมาเป็นเวลานานานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจได้ผ่านโลกมานาน พ อ, อทราบเรื่องหนักเบาได้ดีทั้งภายนอกภายในจึงต้องมีความสนใจในอัตในธรรมที่จะเป็นสาระสัมผัญแก่ตนเพื่อเป็นต้นทุนในวาระต่อไปอีกตลอดถึงปัจจุบันและอนาคตไม่มีความบกพร่องดันั้นจึงต้องในอุตสาห์อบรมบำเพ็ญคุณงามความดีมีกิตติภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ของาศาสนาหรือเป็นหลักใหญ่แห่งการรักษาตนการส ม, สมกับการรักตนการสมนตน เรียกว่าเป็นการบำรุงที่ถูกต้องหรือถูกทางเดห้จิตได้รับผลเป็นที่พึงพอใจจากการบำเพ็ญกิตภาวนาอาหารของจิตก็ได้แก่ธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็เกิดขึ้นโดยการบ ำ, บำรุงให้ถูกอัดถูกทำเช่นการบำเพ็ญกุณงาความดีวัตถุสิ่งนั้นๆที่เราทำทานลงไปจาคหรือเสียสละลงไป เหานี้วัตถุนั้นๆไม่ใช่จะเป็นตัวบุญตัวกุศลแก่เขาเองและไม่ใช่ผู้ที่จะไปสู่สถานที่ดีคติที่งามแต่เราอาศัยสิ่งนั้นซึ่งเป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้ส่ะผู้สแสวงหามาด้วยความชอบธรรมนำสิ่งนั้นไปเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละกลายเป็นความดีย้อนกลับมาเป็นอาหารหรือ ที่เรียกว่าอาหารอันชอบทำอาหารภายในใจให้เกิดขึ้นแก่เราเช่นความยินดีในทานหรือเราได้เสียสละไปแล้วด้วยวัตถุที่รักที่สงวนของเหานี้ผลที่จะพึงเกิดขึ้นลื่นที่เราประจักษ์ในขณะนั้นก็คือเป็นความดีใจของเราหรือเป็นความชอบธรรมของเราความชอบธรรมหรือความดีใจนี้ เป็นโอชารสอันหนึ่งที่จะย้อนเข้ามาสู่จิตใจของผู้ทำรรและอารมณ์เนืออาหารอันนี้ไม่มีสถ า, านที่อยู่ไม่มีสถ า, านที่เกาะไม่มีที่เก็บนอกจา ก, กจิตเป็นภาชนะอันสําคัญหรือเป็นตู้เป็นหีบเป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับบรรจุความดีทั้งหลายที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้แก่กจิตเป็นผู้บงการในงานที่ชอบทั้งหลาย ความดีจึงต้องไหลเข้ามาสู่ใจความดีนี่แหละเป็นอาหารของใจเป็นอารมณ์ของใจแต่พอย่างยิ่งการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อให้ภาชนะภาชนะของเราสะอาดขึ้นไปโดยลำดับซากปอกภาชนะคือจิตใจของเราให้มีความสะอาดยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับความดีทั้งหลายที่ได้สร้างไว้มากน้อย มีจํานวนเท่าไหร่ทั้งด้านทางกายทางวาจาและจิตใจที่จะคิดในทางที่ดีแล้วใจตัวเองเป็นผู้เป็นภาชนะสําหรับรับความดีทั้งหลายรวมลงแล้วเรียกว่าอาหารของจใจได้แก่ความดีการปฏิบัติภาวนาเมื่อใจยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นคืออาหารที่เป็นพิกต่อใจตัวเอง ยังต้องหาวิธีซากรอกหาวิธีแก้ไขดัดแปลงให้ได้อาหารที่ดีขึ้นมาคือความถูกต้องดีงาม น, นั่นแหละจะเป็นผลให้เกิดความอาหารที่ดีขึ้นมาภายใน จ, จิตใจคือมีความสงบเย็นใจไปโดยลาดับลำดับเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากเจ้าของอยู่จิตจะต้องมีความเยืยอกเย็นจิตที่มีความเยอกเย็นโดยลาดับนีแหละคือจิตมีธรรมในใจก็เรียกมีอาหารประจาใจก็เรียก นับตั้งแต่ส่วนน้อยไปถึงส่วนมากจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจแล้วจะติดอยู่ที่ใจถ้าชนะคือใจก็พองใสเข้าโดยลำดับท่านถึงสอนให้ภาวนาคำว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากบรรดางานทั้งหลายที่เราเคยผ่านมา เพราะงานนี้เป็นงานประจักษ์อยู่กับใจงานที่เราเคยทําทั้งหลายทําแล้วก็ผ่านไปผ่านไปได้มาแล้วก็หายไปสูญไปหายไปได้มาจ่ายไปได้มาหายไปแตง่งานทางภายในใจเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นที่รวมแห่งความดีทั้งหลายไม่ได้หายไปเช่นอย่างงานทั้งหลายและผลงานทั้งหลายที่เราเคยได้ปรากฏมาแล้วนั่นเลยแต่รวมอยู่ที่จิต มีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับไปที่ไหนก็ติดแน่อย่กับตัวเพราะใจอยู่ที่ตัวงานของกิต จ, จริงเป็นงานที่หนักมา ก, กออพอสมควรหรือหนักมากแต่ไม่ขึ้นอยู่กับความว่าหนักพอที่จะให้มาเป็นอุปสรรคทำให้เราท้อถอยขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับเหตุกับผลที่เราคิดไว้แล้วเพื่อตัวของเรามีอะไร เพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นหรือความสุขอันสมบูรณ์นี่เป็นจุดนุ่งหมายของเราเมื่อเรามีจุดนุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามดำเนินเหตุให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนถงังที่เราคาดเอาไว้โดยถูกต้องผลจะพึงปรากฏขึ้นโดยลาดับจิตจะเศ้าหมองขนาดไหนเคยเศ้าหมองมานานเท่าไหร่แต่เมื่อมืดมิดปิดตาขนาดไหนก็พ้นความสว่างแห่งธรรมที่เราบำเพ็ญอยู่ โดยลำดับลาดับไปไม่ได้จะต้องปรากฏเป็นความสว่างเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาในวาระหนึ่งซึ่งเป็นผลและสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยๆและปรากฏอยู่ที่จิตนี้ด้วยไม่ไปปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายอ้าวสติปัญญาพิจารณาถอดถอนสิ่งใดที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้ว แต่คำว่าสงบในสถานที่นี้หมายถึงความสงบโดยธรมยธรมดายของจิตไม่ได้หมายถึงความสงบที่จิตหยับลงไปสู่สมาธิแล้วปล่อยงานทั้งหลายในขณะนั้นขณะเช่นนั้นให้ปล่อยไว้ตามความจริงตามธรรมชาติของจิตที่สงบเพราะจิตมีความสงบเช่นนั้นเป็นไปได้ในการภาว น, นาขณะที่ปล่อยงานปล่อยจริงๆก็มีปล่อยขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์เท่านั้น เมื่อจิตเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วเราอย่าไปรบกวนหรือไปแตะต้องด้วยอาการใดๆทั้งหมดปล่อยให้อยู่ตามสภาพของกิตจนกระทั่งกิจพอแก่การเวลาแล้วจะถอนตัวคือจะมีความคิดความปรุงขึ้นมาเองแล้วก็ใช้งานในทางด้านที่เป็นประโยชน์ได้แก่พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่กับเรานี่แหละไม่ใช่พิจารณาอะไร พินาเอาข้างนอกก็เป็นเรื่องเหมือนกับภายในพินาภายในก็เหมือนภายนอกประสัดประสานกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันคําว่านิจังทุกขังอรต า, ากระเทือนทั่วโลกกระถาหนาจะไม่กระเทือนยังไงความจริงล้นล้วนทางนั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนคติธรรมนาจึงก่อทุกข์ทุกตนได้เรื่อยเหตุที่จะฝืนธรรมดานั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสมันพาให้ฝืนไม่ใช่เราตั้งใจะจะฝืนเอง พิเรศจรึงเป็นภัยต่อจิตใจของสารโลกตลอดมาไม่ว่ามากว่าน้อยมีมากมีน้อยเพียงไรต้องเป็นค่าศึกอยู่นั้นพระพุทธเจ้าจือถอนให้สอดให้ถอด ใ, ให้ถอนสิ่งที่เป็นภัยออกมีใครที่จะสอนดีสอนดีสอนละเอียดสุขคุ้มกับพินภาพสอนโดยถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในสามโลกธาตุนี้ท่านจึงควรเป็นศาสดาของโลกได้โดยไม่ต้องสงสัยนังทำทั้งกล่าวไว้ว่าศรัทธาเทวมนุษยสารนะัง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทันะ้งหลายเราเพียงจะเป็นครูสอนเรายัางไม่ได้นะพระพุทธเจ้าัึงสามารถเป็นครูของโลกทั้งสามได้เนะพราะความถูกต้องมันยังแห่งนะโอวาทของพระองค์นั่นแหละเราเชื่อพระพุทธเจา้าจะยากลำบากตามอุบายวิถีที่ท่านสอนไว้ ก็นำมาเพื่อปฏิบตัติเพื่อแก้กิเลสซึ่งเป็นตัวภยัยต่อจิตใจของเรากิเลสกลัวแต่ทำเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับทำเป็นค่าสึกกันเพราะฉะนั้นเราต้องนำสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อกิเลสมาสู้กับกิเลสสิ่งใดกิเลสชอบมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสสิ่งในกิเลสไม่ชอบมันก็เป็นการต่อสู้กันกําลังสติปัญญา ศรัทธาความเพียรงเรามากกิเลสก็อาพาไปโดยลําดับลำดับแล้วขาดสลายไปเห็นไปจากภายในจิตใจนี้อีกด้ว ย, ยาการภาวนาจึงเป็นการประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้จิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขความทุกข์ความมุ่งทัน่นำนำขาญมากน้อยเพียงไรดูจุดสําคัญเนี่ยกองแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่โรงงานแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่มันผิดขึ้นทุกวนัน โรงงานแห่งการทําลายวัตจักรที่หมุนอยู่ภายในจิตใจก็ตั้งขึ้นที่นี่คือตั้งขึ้นที่สติตั้งขึ้นด้วยปัญญาหนุนไปด้วยความภาคเพียรความอดความทนสู้กันไปไม่ถอยเมื่อผู้ต้องการจะเดินตามสเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วต้องเดินตามธรรมของพระองค์ฝื้นธรรมของพระองค์ก็คือเป็นการก้าวเดินตามทกิเหลสนั่นเอง ขณะที่เราฝืนทำก็เป็นขณะที่ศาสนาอาภับไปแล้วจากตัวของเราขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองพนา จ, จิตใจรักศีลรักธรรมรักความภาคเพียรก็นั่นเป็นขณะที่ศาสนามีอยู่ภายในตัวของเราเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นจุกเป็นลำดับลำดับอืคำว่าสมาธิ เราอย่าคาดจะหมายขอให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรมีความสงบร่มเย็นเป็นอย่างไรเราอย่านำเรื่องของคนอื่นเข้ามาคาดมาหมายมาเทียบมาเทียงกับเราขอให้ได้หลักธรรมที่ถูกต้องดําเนินไปตามหลักธรรมนั้นเราภาวนาอย่างไรเคยพิจารณาอย่างไรให้กําหนดพิจารณาไปอย่างนั้นผลจะปรากฏขึ้นมาให้เราทราบเองว่าความสุขด้วยความสงบนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้นี่เป็นความสงบของเราเอง ไม่ใช่ความสงบของใครเป็นผลของเราเองความสุขประเภทนี้เป็นเป็นผลของเราเองนี่ชื่อว่าเราทําเพื่อเราถ้าไปคาดเนหมายเรื่องอื่นมาเทียบเทียงของตนดีไม่ดีมาทําลายของตัวเองให้เสียไปด้วยเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันแล้วจะมาบังคับให้เหมือนกันได้อย่างไรเนี่ยตอนที่มันเป็นข้าศึกต่อเราเราต้องระมัดระวงังชื่อนั่นเป็นอย่างหนึ่งคําว่าสมาธิ สมาธิแท้เป็นอย่างหนึ่งอันหนึ่งเราจํามาคือสมาธิเป็นก็ได้ความจํารู้ได้ความจําสมาธิสิ่งที่เป็นขึ้นธารกิจคือความสงบยอกเย็นนั่นเป็นความจริงปรากฏขึ้นกับเราเราทําความเข้าใจไว้อย่างนีน้เพียงสมาธิคือความสงบร่มเย็นนั้น ถ้าธรรมดาแล้วก็เรียกว่าพออยู่พอกินไม่กระวนกระวายไม่รำสัางไม่สายไม่เดือดร้อนวุ่นวายอิดเย็นสบายทําหน้าที่การงานอะไรก็เย็นสบายอยู่ปกติก็เย็นสบายนี่เรียกว่าพออยู่พอกินถ้าเราเอกเพียงแค่แลราผู้มุ่งเพียงแค่นี้ก็พออยู่พอกินแต่คนเราจะมามุ่งอะไรเพียงแค่นี้เราคนทนา่านาฏกษัตริย์หนึ่งเราต้องพยายามคืบขึ้นโดยลำหนับสมบัตินี้มีคุณค่ามากขนาดนี้ อันนั้นมีคุณค่ามากขนาดนั้นอันนั้นมีคุณค่าสูงโดยลําดับดับขนาดนั้นใครจะมายอมอยู่กับสมบัติที่มีคุณค่าเพียงแค่นี้ก็ต้องขยิบขึ้นไปขยิบขึนไปจงกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมบัติที่มีคุณค่ามากเรื่องธรรมก็เหมือนกันสมาธิสมบัติแล้วนาสมาธินั่นก็มีถึงสองสามขั้นของสมาธิเราก็ต้องขยอบเพราะอันนี้มีคุณค่าขนาดนี้มีความสุขแค่นี้ขยับเพ้่ไปถึงสมาธิ ขนาดนั้นมีความสุขขนาดนั้นธรมาี่ขั้นนั้นมีความสุขขนาดนั้นนะแล้วก้าวทางปัญญาปัญญาเป็นการบุกเบิดบุกเบิดพิเรศอาสวะที่หมอบหรือที่สงบตัวอยู่ภ า, ายในจิตใจหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาธรรมดาจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแน่วแน่หรือมีความรู้อยู่โดยลําพังตัวเองเท่านั้นประเด็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ติดข้องกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่ ควาความรู้ล้วนๆนั้นมันแทรกอยู่ด้วยอุปทานที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะปัญญายังไม่มีในขณะนั้นเนื่องจากเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาจึงต้องอาศัยปัญญาคือการคิดค้นพิิพิจารณาถากขันเที่ยวเยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเราเที่ยวไปเขาลูกนั้นเขาลูกนี้อืขึ้นภูเขาเหงาภูเขาภูเราเนี่ยว่าไง เร า, เ, ราเขาเขามันก็อยู่กับตัวของเราเนี่ยความยึดมัน่นถือมัน่นความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี้เป็นเขาอันนั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราหนังเป็นของเราเมื่อเป็นของเราตลอดกายวัตทุกส่วนเป็นของเราอันนี้ของเขาของเรามันมีนอยู่ที่อา้าวเที่ยวภูเขาตามแถวนี้อา้าวถ้ำมีอะไรเข้าไปดูภายในของเราถ้า ม, มีอะไรบ้างพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาสอดส่องด้วยสติเป็นเครื่องกํากับปัญญาพิจารณา มีความเจาะจงเอาสติเป็นผู้บังคับงานความภาคเพียรหนุนเข้าไปโดยลำดับดูทั้งข้างบนข้างล่างดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในนี่คืออุบายวิธีที่จะพยายามถอดถอนอุปาทานที่เขาไปแทรกอยู่ทุกชิ้นบรรดาวยวะที่มีอยู่ในร่างกายของเราแต่เราไม่ทราบว่าอุปาทานมีมากน้อยเพียงไรมีเท่าตัวของเรานี่แหละอุปาทาน นอกทางนั้นมันยัออกคว้าอานนู่นอันนั้นกลับมาเป็นของเราอันนี้ก็มาเป็นของเรามันคว้าไปหมดยืดไปหมดเราไม่รู้เพอก้า 9, ทางด้านปัญญาแล้วที่นี่กะค่อยทราบขยายดูรูปภายนอกรูปภายในดูสมบัติพัฒฐานต่างๆอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั่นแยกเห็นเห็นตามเป็นจริงต่างอันต่างอยู่ถอยตัวเข้ามาด้วยความเข้าใจแล้วเข้ามาพิจารณาส่วนร่างกายก็ดู อวัยวาส่วนต่างๆนี้เขาทราบไหมว่าเขาเป็นสมบัติของเราเขารู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นสมบัติของเราว่าเขาเป็นเราใครเป็นผู้ทราบใครเป็นผู้ไปหลงใครเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายใครเป็นผู้ไปยึดไปถือว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราให้หนักแก่ตนเองมันก็ไม่มีที่ไหนมีแต่ใจที่เท่านั้นที่เต็มไปได้วยความหลงจึงต้องยึดนั่นคว้านี้นี่เวลาปัญญาสอดส่อง ไปด้วยอุบาต่างๆดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าถอยถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆรู้มากน้อยเพียงไรอุปทานจะถอนตัวออกมาเรื่อยๆอุบาของปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาอย่างนี้ความสงบของจิตยังมีแพรวคข้าออกอภิญต์ด้วยอำนาจของปัญญาเข้าใจแล้วเข้าใจ แล้ประจักษ์ใจในขณะที่จิตถอนตัวออกมาจากสิ่งใดที่เคยยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้สึกตัวมาแต่ก่อนแล้วจิตเข้าใจในสิ่งนั้นถอนตัวเข้เขามาเรียกว่าแก้กิเลสได้เป็นประเภทประเภทประจักษ์ด้วยปัญญาตนเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อการพิจารณาต่อการถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาเพราะเห็นผล <c oughs> พิจารณารูปให้แหลกละเอียดไม่เพียง ครั้งหนึ่งครั้งเดียวกี่ตลบทบทวนไม่สําคัญสําคัญที่ความชํชนานิชานานสําคัญที่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในคาดในขันทั้งตนเมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วระหว่างการพิจารณาคือระหว่างคาดขันกับจิตนี้จะปล่อยวางกันอันใดที่พิจารณาเข้าใจแล้วจิตจะไม่ไม่ยอมไปพิจารณาอีกเพราะพอแล้วนะ่ะทราบภายในจิตพอแล้วด้วยปล่อยแล้วด้วยี่ อันใดที่มีความสัมพันธ์หรือสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกจิตมีส่วนไหนมั่งจิตมีความพอใจที่จะปินาในส่วนไหนมั่งพึงทราบว่าส่วนนั้นยังไม่เข้าใจก็เหมือนกับไฟที่ไหม้ไปตามเชื้อเชื่อมีที่ไหนไหม้ติดตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเชื้อถึงถึงจะหมดไฟนี่อาการของปัญญาที่จะพิจิตพิจารณาสอบส่องไปตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งยังถอนไม่ได้ก็เป็นเช่นเดียวกัน มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในจุดใดในอาการใดเช่นเวทนาเวทนาเป็นอย่างไรบ้างความทุกขเวทนาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทุกขเวทนาที่ระหว่างกายกับเวทนาที่เกิดขึ้นเรามักจะถือว่านั้นเป็นเราเป็นทุกทุกนั้นเป็นเราเราก็แยกอีกด้วยสติปัญญาให้เห็นชัดเจนกายก็ว่ากายอยู่แล้ว อาการหนึ่งหนึ่งก็เป็นอาการของเขาอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แล้วเราเอาอะไรไปแทรกเขาอีกแทรกว่าเป็นเราแทรกว่าเป็นของเราอาการนั้นเป็นาอาการนี้เป็นเป็นของเราไม่ละอายเขาบ้างเหรอถ้าเป็นคนเป็นความฉลาดแล้วจะถอนตัวออกมาทันทีไม่อาจเอื้อมไม่ทะลึ่งในสิ่งที่เป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว น, นี่คือปัญญาเวทนาก็มีความสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วว่าเวทนาก็สรรักแต่ว่าเวทนา สุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับลายตามระบธรรมชาติของตนและไม่ทราบความหมายของตนด้วยเราเป็นผู้ทราบให้และเราเป็นผู้ไปให้ความหมายแทนที่เราเป็นผู้รู้แล้วจะไม่โง่ก็กลับอาศัยความรู้นั่นแหละเป็นความหลงของตนเองเข้าไปยึด อ, อีกนี่จึงต้องอาศัยปัญญาสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เข้าใจแล้วถอนตัวออกมาจากทุกเวทนานั้นนี่ สัญญานั่นคือความหมายหมายนั้นหมายนี้จำนั้นจำนี้แล้วถือความจำเป็นตนถือความจำเป็นสมบัติของตนออว่าตนจำดิบจำดีอะไรต่างๆนานาเลยถือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาทั้งๆที่มีแต่ลมแต่แล้งนี่คือความสำคัญของจิตเราก็ให้ทราบตามความจำมันนี้ทราบแต่ว่าจำจำแล้วก็ลืมไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นแล้วหายไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นเน่นี่คือการพิจารณาทางปัญญา ไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวพิจารณาเป็นการเป็นงานจริงๆอยู่นั้นแหละเป็นงานของใจเอาจนเข้าใจเมื่อยังเมื่อยังไม่ชัดยังไม่ปล่อยวางกันเมื่อไหร่ก็เป็นงานของเราอยู่ตลอดไปพิจารณาแบบนี้สังขานสั้งขานนอกเราก็เห็นอืมสังขานธรรมเป็นของไม่เที่ยงะภายนอกก็เห็นจะชัดมันไม่เที่ยงก็เห็นชัดทั้งขานภ า, ายในอะไรมันเที่ยงเอา ทั้งขนันรั้งกายนี่มันก็ไม่เที่ยงเี่ยก็กองทุกข์ก็ท่าอนาตตาอย่าไปแตะต้องอย่าไปยึดไปถืออนาตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยบอกแล้วปฏิเสธว่าเป็นตนนะทั้ทงขานมันปรุงขึ้นปรุงขึ้นเท่าไหร่มันก็ดับปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงกลางๆ ก, ก็ดับดับเป็นขณะขณะในขณะที่ปรุงก็ในขณะที่ดับก็ไปพร้อมๆกันแล้วก็เอาเป็นสาระแก่สารเอาเป็นเราเป็นของเรา ว่าเป็นเราเป็น่องเราได้อย่างไรความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่ อ, อไรปัญญาเราจะเห็นตามความจริงนั้นสักทีจะไม่ต้องวุ่นวายกับเขาให้เกิดเรื่องกับเขาทั้งๆ ท, ที่เขาไม่มีเรื่องอะไรกับเราแต่เราชอบมีเรื่องกับเขาแล้วก็ชอบเอาเรื่องนั้นมายุ่งตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากนี่พิจารณาอย่างนี้วิญญาณคาว่าวิญญาณ น, นี่ก็คือจิตกระเพื่มรับทราบ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจากคูุเสียงถึนรดเครื่องสมผัติที่ก็มาเกี่ยวข้องกันจิตเป็นผู้รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนี่ก็มีเพียงเท่านั้นพอทราบแยบก็ดับไปพร้อมพร้อมพรมเนี่ยเอาสาระแก่นสารอะไรสุดท้ายก็อยู่กับความรู้อันเดียวมีแต่ความรู้อยู่เท่านั้นอาการทั้งหลายที่รับทราบเหล่านี้มันก็ดับไปหมดเพราะเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็คือใจเป็นผู้รู้ พิจารณาให้ทราบชัดโดยลาดับกี่ตลบทบทวนไม่สําคัญถือเป็นการเป็นงานพิจารณาเน้นอยู่ด้วยการพิจารณาเนินอยู่ด้วยการเข้าใจาเน้นอยู่ด้วยการถอดถอนโดยลําดับลำดับกิเลส จ, จะขนาดไหนเล่าก็ขนาดที่มีอยู่ภายในตัวนี้เท่านั้นเมื่อถอดถอนทุกวันพิจารณาทุกวันหุดค้นทุกวันทําลายไปทุกวันเราจะเอากิเลสที่ไหนมามากมาก่า่อง พอมันหมดไปทุกวันด้วยสติด้วยปัญญาศสธาความเพลยนของเราสุดท้ายมันก็หมดข้างนอกมันก็หมดไปยึดอันไหนไหนกิเลสที่เกิดขึ้นจากความยึดความถือในสิ่งนั้นๆมันก็หมดไปหมดไปเพราะปัญญาตามเผาตามไหมไปหมดอแม้สุดท้ายมันไม่มีทางไปมันมารวมอยู่ในหัวต่ออันสําคัญคือจิตเนี่ยก็เผาเข้ามาตรงนี้อีกสุดท้ายมันก็หมด มันหุ้มห่ออยู่ที่จิตโดยเฉพาะมาเผากันที่ตรงนี้ถูกไหม้คิพหายไปหมดด้วยตปะธรรมคือความแผกเผาทีนี้อะไรเหลือกิเลสสิ้นไปก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปกิเลสสิ้นไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิ้นเชิงผู้รู้ที่ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิ้นสิ้นเชิงนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์แล้วถึงพ้นโทษไม่มีโทษอะไรอีกต่อไป ถึงจะอยู่ในขันกระทบรูปเสียงกงลิ่นนสดเครื่องสัมผัสก็ทราบแต่ว่ากระทบนับทราบไปเพียงเท่านั้นหมดความหิวโหวยเพราะถึงขั้นพอตัวแล้วความสุขที่เกิดขึ้นมาในธาตุในขันก็ทราบเพียงความเกิดขึ้นของความสุขเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในธาตุในขันก็เพียงนับทราบว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเท่านั้น ดับไปก็รับทราบตั้งขึ้นก็นรับทราบตั้งอยู่ก็รับทราบเนี่ยมีแต่เพียงรับทรารละราบตามความจริงของเวทนาตามความจริงของสภาวธรรมทุกๆส่วนเนื่องจากตนถึงความจริงโดยสมบูรณ์แล้วโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงนี่ท่านเรียกว่าจิตพอตูวสลัดปัดทิ้งทั้งหมดบรรดาที่เป็นสิ่งสมมุติอันไม่เป็นที่ไว้ใจ นี่แหละที่ท่านว่าปุญญะปาปะหิณะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันล่าเสียแล้วนะคาว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนเรามาก็เช่นเดียวกับเราอาศัยบันไดขึ้นถึงบนบ้านเมื่อขึ้นถึงบนบ้านแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปทางที่เราเดินมาสู่สถานที่นี้เมื่อถึงสถานที่นี้แล้วทางก็หมดความหมายหมดความจําเป็นสําหรับเรา บุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยเป็นเครื่องสนับสนุนอิจจนกระทั่งให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางบุญที่เป็นส่วนสมมุตินี้ก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงิจถึงขั้นสมมุติแล้วไม่รับทั้งบุญทั้งบาปจึงเรียกว่าปุญย่าปลาปะพปิณาบุคคลเป็นผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนั่นคือพอไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุนต่อไปอีกส่วนที่บากได้แก่ผลที่จะพึง ตามเนองในเมื่อวิบาก์ขขันเรามีอยู่ก็ต้องมีบุญอันนี้ต้องตามเนองกันไปเป็นธรรมดามเห็นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็มีอุปนิสัยต่างๆกันพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่คนสักการะบูชาเต็มไปหมดเนี่ยหรือพระศรีอรีท่านเป็นผู้มีอัตเลกกรลามากเพราะอะไรเพราะผลแห่งบุญของท่านที่เคยสร้างมา แต่ภายในจิตใจท่านไม่ได้ยินดีกับผลแห่งบุญที่มาตอบสนองท่านเลยนี่เรียกว่าท่านพอภายในจิตใจแต่เรื่องภายนอกก็ต้องมีเป็นธรรมนาตามอุปนิสัยแม้สาวกเหมือนกันเป็นพระอรหันต์ด้วยกันก็ตามอุปนิสัยหรือวัฒนาจะต่างกันไปเป็นลายๆเป็นเช่นนั้นนั่นเรียกว่าอาการของสมมุติมีอยู่ต่างๆกันเช่นนั้นแต่เรื่องของสมมุติคือความมือสุดแล้วเสมอกันหมดท่านผู้ไม่มี อตเตเลกาลาบท่านก็ไม่เสียใจท่านผู้ไม่มีอตเตเลท่านผู้มีอตตเลกาลาบมากท่านก็ไม่ดีใจท่านในฟุ้งเฟ้อเหื่มท่านไม่ลืมตัวท่านทราบตามควาำพิงทั้งหมดนี่หมายถึงความพอภายนาจิตใจนี่แหละคําว่าบุญกุศลที่สง่กงกระโจนไปอย่างนั้นเรื่อยๆตามอํานาจแห่งกุศลที่เคยสร้างมาทั้งแต่กลับใดกันใดก็ตามก็ตามมาสนับสนุนมาเรื่อยๆท่านจะยินดีไม่ยินดีก็ตาม บุญก็ต้องเป็นบุญตามถนัดสมุนจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลายทิ้ง เ, เสียหมดทั้งขันอันนั้นเป็นน้ำหมดปัญหาเพราะขันนี้เป็นความสมมุติเป็นภาชนะที่จะนับวิบากทั้งหลายซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันวิบากบาปบุญที่ต้องรับในเวลาที่มีธาตุมีขันอยู่ท่านก็นยอมรับแต่พอผ่านนี้แล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะติดตามอีกเลยท่านนี่วปริยพาน เป็นผู้ดับสนิทในเรื่องสมมุติทั้งหลายไม่ปรากฏเลยนี่คือทำแท้ศาสนาสอนมาถึงขนาดนั้นเจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ถึงธรรมขั้นนี้แล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกสั่งสอนหมู่ชนให้ดำเนินตามตามอุปจอุปนิสัยจริตนิสัยของคน ปกติตันยูผู้สามารถที่จะรู้ได้เร็ววิบจิตตันยูถัดๆกันลงมาเดินตามบอยกันไปเนยะผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลหนก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ปัทภประมะหูหนวกตาบอดทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนแม้ชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่มีความหมายใดเลยเขาเรียกโมฆะบูรโมฆะสัตติ ไม่มีสาระอะไรโดยภายจิตใจเรียกกับปท ะ, ะประมะมืดแปดด้านเลยคนประเภทนี้ศาสนาเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนถ้าเป็นโรคก็เรียกว่าโรคหมดอะไรแล้วที่จะหาอยู่้ายามารักษาให้หายหพืน้นเป็นไ ม, ไม่มีทางนอกจากเอาเข้าเขาเรียกห้อง ICU หรือลยดังที่ว่านั้นตอนนั้นคอยอยู่เท่านั้นเอง เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอย่างน้อยก็ปะทัพประมะโอ้บอย่างน้อยก่อนเนยยะเป็นผู้ควรแนะนําสั่งสอนได้เราก็ควรแนะนําสั่งสอนเราได้เราได้รับทำของพระพุทธเจ้ามาจักงสอนตนเองก็พอแนะนําสั่งสอนตเอ น, น, อนตเองได้ครูบาอาจารย์ก็พอสอนเราได้นี่เป็นเนยยะคือควรทั้งนั้นควรมาปฏิบัติตนได้เต็มตามสติกําลังของตนยังเรียกว่าเราอยู่ในมัชชิ ม, มาพอต้องควรอยู่แล้ว ให้ดำเนินมันชฌิมานี้ให้มีความสามารถแก่กล้าจนทะลุ ป, ปูโปรงไปถึงขั้นอุ้กริแห่งมัชฌิมาคือมัชฌิมาระรับธรรมชาติได้จากความพอตัวอันเป็นศูนย์กลางเสมอไม่มีการมีสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเรียกว่าอาการลิกกริอาการลิกธรรมอาการิกาธรรมก็หมายถึงมาธรรมโมปิโปที่ปรากฏอยู่ภาจิตอย่างกระจ่างอย่างนี้กระจ่างแจ้ง อาการากิาจิตไม่มีการสถานที่ใดๆที่เขไปเกี่ยวข้องหรือทาลายจิตใจนั้นให้เองให้เองไปได้เลยนี่ผลใ น, นการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้ขอได้นำไปพิจารณาและการแสดงธรรมให้โนสมควร